สมาธิที่ใช้เดินปัญญานะี่ยมันคนละอันกับสมาธิสงบอยู่ในอารมณ์เดียวก็ต้องฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเสร็จแล้วมัเอาไปเดินปัญญาในฌานได้ด้วยนะจะเห็นองค์ฌานนะจะ<ม>ปีติความสุขเลยนะมันไหลอยู่นอกจิตจิตตั้งมั่น อยู่ต่างหากเห็นสภาวะทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปจิตนะกําลังของสมาธิชนดิดตั้งมั่นไม่พอเห็นตัวสภาวะมก็ไหลาตามสภาวะไปพอ ร, รู้ทันมันก็ทิ้งตัวสภาวะกลับมาตั้งมั่นได้อีกนะแล้วก็เห็นตัวสภาวะเกิดดับได้อีกวิธีปฏิบัติมีมีเยอะนะทางใครทางมัน เราไม่ต้องไปเรียนแบบคนอื่นบางคนเข้าชำนาญในเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องอะไรเราก็เดินปัญญาในฌานได้ของเราเข้าฌานยังไม่เป็นเลยลไม่ต้องไปเดินเดินอยู่ข้างนอกนี้แหละไม่ต้องเข้ากั บ, กบเขาหรอกเพราะมันเข้าไม่ได้อาศัยขัณฑกาสมาธิความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะนี้แหละถึงเวลาก็าทาในรูปแบบ นะใจมันได้พักผ่อนบ้างวันไหนทำในรูปแบบวันไหนมันฟุ้งซ่านมากนะก็ให้ใจอยู่ในลมกรรมฐานของเราอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจใจเคลื่อนแล้วรู้แล้วก็อยู่สบายๆไปวันไหนมันมีแร ง, แรงพอนะเดินปัญญา ต, ต่อเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดู เห็นร่างกายมันไม่เที่ยงเห็นร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันไม่ใช่ตัวเราเดินปัญญาไปเลยหรือดูจิตดูใจจิตมีความสุขบ้างเป็นอุเบกขาบ้างนะเวลาเราทําในรูปแบบถ้าทําเป็นนะทําไม่เป็นก็มีโทมนัสเวทนาอึดอัดนะมีความอึดอัดเกิดขึ้นอีกก็รู้ไปอีกก็เห็นความอึดอัดนไม่ได้เชิญสัหน่อยก็มา ดูไปไม่ต้องเข้าฌานหรอกนะดูไปธรรมดาธรรมดานี่ย่งตอนไหนจิตฟุ้งซ่านเน่ยทำความสงบเข้ามาอยู่ในอารมณ์เดียวตอนไหนมีแรงแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงในใกายในใจไป <S <S ให้เห็นมันไม่มีตัวมีตนอะไรหมดเวลาทำในรูปแบบแล้วเวลาที่เหลือคือเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน <S <S <S คราวหนึ่งนะ มีพระอุปถักต์ของครูบาอาจารย์ท่านถามหลวงพ่อหลวงพ่อไปส่งกันบ้านตอนเย็นไปเจอท่านหน้ากุติครูบาอาจารย์ท่านก็ถามโยมทำได้ไงโยมปฏิบัติได้ไงพระทำตั้งสิบปียีป่ปีโยมทำแป๊บแป๊บผมทำตลอดเวลา เคล็ดลับนะของพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัตินะเราจะคิดว่าเราได้ทำแนละ้ววันนี้หนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เวลาที่เหลือละเวลาที่เหลือไปทิ้งงันะ้นเราทำในรูปแบบนะแล้วก็เวลาที่เหลือเนะี่ยคือเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวันโยงเป็นให้สองส่วนเวลาที่ต้องการหลับเวลาหลับก็หลับไปเลยไม่ต้องมาห่วงเรื่องภาวนา กเวลาที่ทำงานที่ใช้ความคิดเวลาทำงานใช้ความคิดต้องจดจ่อกับงานไม่ใช่เวลาทำกรรมาฐานดูกายดูใจสติไปจ่อกับงานสมาธิไปจ่อกับงานปัญญาไปคิดเรื่องงานในนั้นเรื่องของงานเรื่องของโลกแลนอกจากเวลานอนหลับกับเวลาทำงานที่ต้องคิดแล้วเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องปฏิบัติทั้งหมดเลย จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิดนะมีสตนะิมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะเห็นใจมันคิดนะเห็นใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันดีใจมันร้ายให้กายมันทำงานไปตามหน้าที่ของกายให้ใจมันทำงานตามหน้าที่ของใจแล้วเรามีสติตามรู้ไปเรื่อย เมื่อก่อนครูบ า, าอจารงหนึ่งนะหลวงพ่อพุทธธานิโยหลวงพ่อพุทธเป็นพระที่ภานาเก่งมากเลยคนมองข้ามท่านเห็นท่านเป็นพระฝ่ายปกครองเจ้าคณะจังหวัดกอนนี้โคราชพระในเมืองวัดก็อยู่ในเมืองชื่อวัดป่าสารวันที่จริ ง, รงเป็นป่านะแต่เดิมแ ล, แล้วเมืองมันขยายไปครอบวัดจริงคนไม่รู้ว่าท่านมาภานาเก่งๆบางที ท่านสอนไม่เหมือนครูบาอาจารย์วัดป่าทั่วๆไปท่านสอนนะฉันชอบสอนด้วยประโยคนี้นะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแต่ท่านจะพูดช้าๆนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอนะไรเนี้ยจะพูดไปช้าๆนี่เร็วไปนิดนึงลหลวงพ่อช้าเท่าท่านไม่ได้จริตนิสัยไม่อํานวยถ้าแกล้งช้าเท่าท่านนี่เป็นดัดจริตเลยเนปะ็นของปลอมเลย ท่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่แหละปฏิบัติพวกที่ติดแต่เรื่องยินต้องนั่งสมาธินานๆนะรับท่านไม่ได้เนละไม่รู้เลยว่านี่อะไเป็นหลักปฏิบัติชั้นยอดเลยนะกินมันปฏิบัติได้ไงใครๆก็กินหมาก็กินทําไมหมาไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะหมาไม่มีสตนะิท่านบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนัมีสติกํากับตัวเองไวนะ้รู้เท่าทัน เห็นกายทํางานเห็นใจทํางานเรื่อยๆไปใจเราเป็นคนดูเองนะยืนอยู่อะไรมันยืนรูปมันยืนใครเป็นคนดูใจเป็นคนดูไม่ใช่เราดูนะรูปมันเดินรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนนามก็คือใจเป็นคนรู้จะเห็นเลรูปที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดนัใจสั่งให้มันเป็น ใจเป็นคนสั่งให้รูปมันเคลื่อนไหวสั่งให้รูปมันเคี้ยวให้รูปมันตักข้าวใส่ปากให้รูปมันเคี้ยวนี่ใจมันสัง่งสั่งแล้วรูปมันก็ทํางานไปรูปเหมือนแค่วัต ถ, ถุนะเหมือนหุ่นยนต์นตัวหนึง่งเท่านั้นเองได้รับคําสั่งมาก็ทํางานไปแต่ว่ามันก็แค่หุ่นยนต์ตัวหนึง่งเป็นวัต ถ, ถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกอนะไรเนี่ยตลอดเวลา กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนี่กนะ็มีอยู่ทั้งวันนะเฝ้าดูไปก็จะเห็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะมีสติรู้สึกตัวอยู่เห็นรูปมันเป็นคนทำไม่ใช่เราทำนี่ถอนความเห็นผิดว่ารูปเป็นเรานะรูปมันทำไม่ใช่เราทำเวลามันคิดเมื่อก่อนมันเป็นเราคิด ม, มีสติรู้ทันเห็นความคิดกับจิตโนะคโรนกัน จิตม mm. ันคิดขึ้นมานะความคิดมันฝุดขึ้นมาจากความว่างๆฝุดขึ้นมาแล้วก็หายตอนหน้าต่อตาฝุดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดจากความว่วางๆหายไปในความว่างๆไม่มีอะไรเหมือนฝันฝันไปคิดไปแล้วก็ปรุงขึ้นมาปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรขึ้นมาสารพัดจะปรุงตามหลังความคิดมาใจมันคิดแ้มีสติรู้ทันไปนะสิ่งที่ปรุงขึ้นมาจะเป็นทางบวก ใจมันคิดแล้วไม่มีสติรู้ทันนะจิตสิ่งที่คิดขึ้นมามักจะเป็นทางลบนะคิดทางชั่วคิดไปแล้วกิเลสเกิดที่คิดทางดีนะกิเลสยังเกิดเลยเช่นคิดถึงเอาสมมติคิดถึงหลวงพ่อนะฟังเทศหลวงพ่อไหมมันซับซึ้งถึงใจคิดไปคิดไปโกหกเปล่าวะใจพลิกไปนะจริงเปล่าวั้โม้หรือเปล่าอะไร ใจมันพลิกไปเองคิดทางบวกอยู่ดีๆนะพลิกไปทางลบก็ได้นะหรือบางทีมีความการุณาเห็นคนนะ้าน่าสงสารคิดถึงเขานะั้นใจเราเศร้าโศกไปเลยตรงที่มีความเมตตาการุณาเกิดขึ้นนะเป็นทางบวกนะคิดไปคิดไปเศร้าใจไปเลยเป็นทางลบนะกิเลสเกิดแล้เนี่ยจิตมันพลิกไปพลิกมาเออมันเป็นเองแฮะมันมันก็คิดือเวลาคิดมันก็คิดได้เอง เวลาสุขเวลาทุกเวลาจะดีเวลาจะชั own, heart, nothing, This, honey, ่วส no ั่งไม่ได้เลือกไม่ได้จะเห็นเลยว่าสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจสั่งมันไม่ได้นะสั่งมันไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่ยดูไปเห็นของจริงนะสุดท้ายรู้เลยตัวจิตตัวใจนะตัวสุขตัวทุกข์ตัวดีตัวชั่วอะไรไม่ใช่เราหรอกเราสั่งมันไม่ได้สักอย่าง ก็ถอนความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนได้นะอย่างร่างกายมันทํางานไปเห็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นวัตถุเป็นก้อนธานไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็ถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราได้นะเราภาวนาแทบเป็นแทบตายก็เพื่อถอนความเห็นผิดเท่านั้นแหละไม่ได้ทําอย่างอื่นนะไม่ใช่เพื่อไปบังคับมันบางคนไม่เข้าใจที่ว่านั่งสมาธิมันปวดเราต้องนั่งเอาชนะมัน ทนไปเรื่อยว่าทนได้นะชนะมันแล้วก็ลําพองเลยอันนี้นั่งสมาธิสนองกิเลสไปละนะนั่งไม่ใช่เพื่อจะไปเอาชนะอะไรนั่งเพื่อให้เห็นความจริงอย่างร่างกายมันนั่งอยู่นะไม่ใช่เรานั่งความเจ็บความปวดเกิดขึ้นสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ดูไปจนใจยอมรับใจรักเนะี่ยจะได้มรรคได้ผลไม่ใช่เอาชนะมัน ร่างกายหิวเนี่ยเอาชนะมันไม่ต้องไปกินข้าวร่างกายง่วงเอาชนะไม่นอนอย่างนี้นะเป็นอาตากิลมัฏฐานุโยคนะแต่ว่ามีครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านฝึกแบบโหดมากเลยแต่ว่าท่านไม่ใช่อัตากิลมัฏฐานุโยคเป็นทางสายกลางของท่านทางสายกลางของแต่ละคนนะโหดไม่เท่ากันนะนะ บางคนโหดม า, มากๆเนี่ยกลางของท่านละยังมีอุบาจันทร์ของหลวงพ่อองค์นึงชื่อหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมเขมะโกที่สุสานไตรลักลําปางนะสมัยหนุ่มๆนะพ ORN า, านะท่านอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแจ้งตลอดในในหน้าร้อนและหน้าหนาวหน้าฝนอยู่กลางแจ้งไม่ได้ผิดพระวินัยต้องอยู่ในที่มุ่งบงัง น่ารอนอยู่กลางแจ้งทั้งวันเลยนั่งสมาธิอยู่งนะั้นแหะแดดเผาตัวไหมอยู่งนัะ้นนะะก็นั่งของท่านอยู่นะหน้าหนาวนะกลางค่ำกลาคืนอยู่ลําปางหนาวจะตายไปหน้าหนาวก็อยู่กลางแจ้งอยู่งั้นนะมีผ้าก็ผ้าจีวรบางๆอยู่แค่นั้นเองท่านฝึกของท่านนะฝึกจิตฝึกใจฝึกแยกธาตุแยกขันท่านเป็นพระ ด, ดีที่สุดองหนึ่งนะคนไม่รู้นึกว่าท่านเป็นพระประหลาดตลาดจริงฉลาดมากเลย หลวงพ่อไปเจอท่านที่แรกก็ไม่เข้าใจท่านนะทีแรกไปหาท่านตอนไปที่วัดท่านนะตอนนั้นไปสัมมนาที่ลำปางพอค่ำนะคนอื่นเขากินเลี้ยงกันไม่เลิกเราหนีหนีไปสุสารไทรลักษ์ไปถึงมืดตื่ๆเลยแต่คนเต็มเลยท่านจะให้พบเปล่าก็ไม่รู้คนเยอะแยนะแต่ว่ามืดมันดึกแล้ว เราไปถึงไปนั่งอยู่ที่ศาลานหนึ่งไม่รู้ว่าจะไปเจอท่านที่ไหนด้วยเห็นแต่คนเต็มไปหมดเลยเขาก็ไม่รีบร้อนอะไรเขาก็อยู่กันเฉยๆอย่านัน้สักพักหนึ่งก็มีลูกศิษย์ท่านเตินมาบอกบอกว่าวันนี้วันพระท่านตั้งปณิธานวันพระไม่รับแขกนะอืเพราะงั้นไม่ได้เจอหรอกหลวงพ่อก็บอกเขาาไม่เป็นไรไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวขอนั่งสมาธิให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวก็จะกลับหรอกไม่ยุ่งหรอกวันนี้ท่านไม่รับแขกเราก็ไม่ฝืนท่านหรอกเราก็ไม่ฝืนท่านท่านต้องการทำธุระอะไรของท่านเราจะไปรู้เหรอเกิดท่านไปเข้าสมาบัติอยู่นะเราไปกวนท่านา<ม><ม>นั้นบาปใชักนี่เขาบอกวันนี้วันพระท่านไม่รับแขกไม่รับก็ไม่รับขอนั่งนั่งเสร็จแล้วสนท่านผ่อนางท่านไงเนาะนะนะ สนใจสนใจอยากรู้แต่ท่านก็ไม่ยอมให้รู้นะพยายามจะรู้ท่านนะสุดท้ายท่านยันกลับมากระดิกตัวไม่ได้เลยนะแรงท่านเยอะจริงๆเลยกระดูกกระดิกไม่ได้เลยหนะลวงพ่อผมยอมแพ้แล้วท่านก็ปล่อยแตนท่านปล่อยสักพักหนึ่งนะลูกศิษย์ใหม่ละมาจากไหนโยมมาจากไหนจากกรุงเทพ บอกเนี <necessary. S 2> ne, so, ่วท like so ่านไม่ร <şek> ับแขกนะแต่ว so ่าให้ข so so ึ้นไปนั่งที่ระเบียงกุฏิท่านกุฏิท่านเล็กนีดเดียวให้ไปนั่งที่ระเบียงท่านจะเปิดประตูนะแ้วท่านจะนั่งในห้องโยมอย่าเข้าไปในห้องนะคุณอย่าเข้าไปในห้องนะให้นั่งที่ระเบียงท่านก็จะไม่ออกมาถือว่าไม่ได้รับแขกนะนี่ท่านก็มีสัจจะของท่านว่าวันนี้ไม่รับแขกไปถึงขึ้นไปนั่งปุ๊บนะท่านก็เปิดประตูเลย เปิแล้วก็หันกุกกักกุกกักคว้าไมโครโฟนมาก็อเอ๋ยก็ไก่ก็อไข่อยู่ในเล้าข้อขวดของเรา้ขขาข้อไฟเข้านาฮะธรรมะอะไรวะ <c oughs> ไม่เข้าใจหรอกนั่งคุกเ ข, าข่าพนมมืออยู่นะนึกว่าจะได้ฟังธรรมะชั้นยอดท่องกอเอ๋ยก็ไก่ให้ฟังเสร็จแล้วก็ท่องกรอนกรอนไหวต้นไม้กรอนไหว้ตัวหนังสือกรออะไรของท่านมื้นท่องไปด้วย เราฟังนะ่ะใจร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะอ ห, หลวงพ่อรู้ว่าท่านพูดในใจท่านได้ยินหลวงพ่อเทศอย่างนี้ให้ผมฟังอนะ่ะไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปเทศอย่างนี้ให้คนต่างาศาสนาเขาฟังนะเขาจะดูถูกพระพุพทธศาสาศนานะอบอกท่านอย่างนี้นะแต่ <laughs> ก็เทนท่านไปเรื่อยนะท่องกรอนไปเรื่อย้ยหวานเสร็จ แ, แล้วท่านก็บอกคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายเย็นเฉียบเลยคนนี้ โอยลงกลับเลยทรรมอยู่ตรงนี้เองท่านหลอกเราท่องกรอนนะให้ใจเราเนี่ยคิดไม่ดีเลยนะหลวงพ่อผมเป็นห่วงาศาสนาละนะใจนี่ทุลนทุรายเลยคิดไม่ดีนะใจก็ไม่เย็นนะพอเรารู้ทันนะใจเราก็เย็นคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นจเย็นสบายเย็นสบายคือตัวนี้ตัวนิพพานเลยคิดไป เนี่ยสอนส์งประโยคก็ได้เข้าใจธรรมะที่ท่านสอนล้วฟังจะตั้งนานพอเราเข้าใจลงกราบท่านก็เลิกละยิ้มหวานเก็บไมโครโฟนหันไปคว้าปีป อ, อกมางัดงัดปีปนะ์แล้แจกขนมปังนะเราถือว่าเราท่านไม่รับแขกเรารับเฉยๆไม่คุยกับท่านนะถ้าคุยก็คุยในใจนะขนมปังนะท่านก็แจกลิฟวินเสร็จนะแล้วท่านก็ปิดปีปุอนท่านนะ ปิดประตูเลยเราดึกเราไปหิวกินนมปังนะกินไปอย่างรวดเร็วเลยนะถ้าเราเป็นคนที่กินไหวทำอะไรก็ไหวอะ่ะคนนั้นมันฮือมาเลยขอขอขอขออะไรขอนมปังกินหมดแล้วโง่จริงเลยใครกูกินกันเขาเอาไปบูชาว่าอ้าวหรอไม่รู้หรอกกินไปหมดแล้วแล้วเหลืออะไร มีริบบินอี ก, กันแดงๆนะริบบินท่านให้ลิบบินขอขอพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุตั้งห้าสิบเก้าแล้วเป็นหมออยู่โรงพยาบาลกลางไปด้วยกันลนะ่ะแกเออแขอพี่อันนี้เราเลยไม่มีอะไรเล ย, เยที่ <c oughs> ลูกศิษย์ท่านเลยริบบอกใต้ริบบินไปนะถ้าเป็นผู้ชายนะให้ร้อยใส่กระดุมเสื้อเชอิ้ตอ่ะแล้วผูกไว้หนึ่งคืนนะห้ามอาออกนะ ถ้าเป็นผู้หญิงงานต้องผูกจุกหนึ่งคืนห้ามาออกนะโอราแกใจเด็ด น, นะแกผูกจุกงจริงๆนะผูกเสร็จแล้วกลับเข้าโรงแรมข้าเมืองนะเดินหน้าตาเฉยแล้วกลนตะลึงไปตามยังนี้มีหัวจุกนะอายุจะหกสิบอยู่แล้วะไว้หัวจุกเนี่ยองค์เนี้ยท่านท่านก็เก่งของท่านนะได้ไปรู้ได้ไปเห็นครูบาอาจารย์ต่างๆแต่หลวงพ่อพอนาเป็นแล้วนะ ถ้ายังไม่เป็นเนะี่ยอย่าร้อนเร่อันตรายที่สุดเลยถ้าเรายังภาวนาไม่เป็นนะเราเรียนเราภาวนาขงเรากําลังดีอย่างเงี้ยไปบางที่เขาบอกไปนั่งสมาธิก่อนให้นิ่งเลยนะห้ามคิดห้ามนึกอะไรอยเ้ยราก็เสียผู้เสียคนไปภนะาวนาล้มเหลวไปอีกงั้นไม่ต้องร้อนเร่มากนะสงสัยอะไรก็ฟังซีเดียอนะมีคําตอบอยู่แล้วเราภาวนาของเราไปพอเราเป็นแล้วเนาะคราวนี้ไม่ยากหรอก เราไปที่ไหนนะเห็นหน้าปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าพนานไดไ้ไม่ได้นะคำสอนแต่ละคํามันอยู่ในระดับไหนฟังปุ๊บก็รู้แล้วอันนี้อยู่ในขั้นทำรรสมถะอันนี้อยู่ในขั้นวิปัสนาอันนี้เป็นคําสอนที่ผิดผิดอฟังปุ๊บก็รู้แล้วล่ะแต่ตอนนี้ยังแยกไม่ออกก็อย่าเไปว่าร่อนเร่ไปตั้งอกตั้งใจภาวนานะถือศีลห้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทํางานทําแค่นี้แหละวันวั น, วนหนึ่ง โยเว้นตอนนอนหลับกนะัตอนทำงานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือคือเวลาปฏิบัติถ้าถ้าวางใจได้อย่างนี้นะการจะบรรลุมรรคผลไม่ใช่เรื่องยากเลยบางทีหลวงพ่อทำงานเหนื่อยนะจะนั่งสมาธิเขาหมดแรงแล้วคือนั่งเขาหลับแน่นอนนะเราจะพักผ่อนจิตของเรายัางไงกลับมาบ้านนะสมซานหมดเรื่องหมดแรงซื้อนัองสือการ์ตูนมานั่งอ่านนะนั่งแล้วกหัวล้อคิคิคั ก, ค ก, คกไปนะใจผ่อนคลายลนะ้ แคผ่อนคลายเนี่ยใจสงบอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ใช่ว่าซีเรียสนะทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งเป็นผู้หญิงไปไหนมาไหนก็ต้องนุ่งผ้าถุงดำไปองี้นะทาปากก็ไม่ได้ทาหน้าก็ไม่ได้แต่งอะไรก็ไม่ได้นะโสมจะไปเจราจาธุรกิจใครก็จะเชื่อถือเนาะมันทำได้สวยก็ได้นะรวยก็ได้แต่ว่ามีสติไว้ไม่ต้องทำตัวผิดมนุษย์มนา เพื่อวางฟอร์มว่าฉันเป็นนักปฏิบัติหรอกนะยิ่งเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ยิ่งง่ายเท่านั้นนะยิ่งดัดแปลงตัวเองเท่าไหรยิ่งไกลของจริงเท่านั้นงั้นะเราเป็นคนยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละพอนานของเราไปทางใครทางมันนะธรรมามีเยอะเพราะว่าคนมันเยอะแต่ธรรมาเพื่อความพ้นทุกข์ของคนคนหนึ่งนนิดเดียวนะนิดเดียวเท่านั้นดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นว่าควรจะปฏิบัติแบบไหนนะ ส่งกันบ้านให้คนอยู่วัดกันโอ้ส่งกันบ้านดีขอคำแนะนำแล้วกันถือศีลห้าฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทำงานนี่แนะนำแล้วนะทำไดตต้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยส่วนรายละเอียดปีย่อยไม่ใช่สาระสำคัญไปรู้ฐานเอาตอนนี้เราพลาดตรงไหนนะเวลาเราพอนานเนี่ยมีจุดที่ผิดพลาดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวหรอกแล้วใช้สังเกตเอา นะเช่นเราภาวนาไปแล้วใจเราสบายโล่งว่างสบายมีแต่ความสุขเมื่อมันมีความสุขมาได้ตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยต้องผิดแน่ๆเลยแทนที่จะรู้ทุกข์แล้วทําไมมีแต่ความสุขเนี่ยเราทําผิดแล้วละ่ะเนี่ยหรือภาวนาแล้วเห็นว่ามันเที่ยงเนี่ยต้องผิดแล้วละ่ะภาวนาเห็นแล้วว่าสุขเนี่ยเราผิดแล้วล่ะภาวนาแล้วก็เซลจัดอย่างเดิมนะ่ะก็ผิดแล้วละ่ะนียค่อยๆวัดตัวเองค่อยๆตรวจตัวเองไปค่อยๆ ค, คลําไป หาวพอภาวนาเนี่ยไม่ได้กวนครูบาอาจารย์มากไปเรียนนะแล้วก็กลับมาทําเองแล้วใช้ความสังเกตสังเกตตัวเองมากเลยมีปัญหาที่ไปถามให้ครูบาอาจารย์แก้ให้เนี่ยน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะแก้ได้ด้วยตัวเองใช้ความสังเกตเอาอย่างภาวนานไปแล้วจิตมันสว่างมันแหวกมันสว่างขึ้นมาเหมือนพระทิศผุดขึ้นมานึกว่าบัตรลุมรรคผล นะสังเกตไปสังเก ต, ไ ป, เกตไปกิเลสไม่ลดนะนะกิเลสไม่ลดลงไม่ใช่เนไม่ใช่เป็นนิมิตนะใช้ความสังเกตความสังเกตตัวเนี้ยภาษาแขกเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะพวกเราต้องพยายามเป็นคนช่างสังเกตนะอย่าเชื่อง่ายบางคนพอวนาแล้วพอเกิดอาการแปลกๆขึ้นก็ชิด ว, ว่าบรรลุแล้วนะไม่ยอมดูกิเลส ท, ที่ซ่อนอยู่ หรืบางทีใจเราไปติดล็อกอะไรนิ่งๆเฉยๆนะไปล็อกอยู่เงี้ยแล้วบอกไม่มีกิเลสเลยจะมีได้ไงเองไปสร้างอะไรไว้ไปสร้างภพของผลมขึ้นมาใช่ไหมก็ไม่มีสิถ้าใจเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างงี้ยแล้วกิเลสจะโผล่ขึ้นมาเองนะคือถ้าเราไม่ไปล็อกไว้นะยังไงก็ไม่เกินเจดวันนะสภาวะทั้งหลายนะสมาธิอะไรแต่ อ, อะไรนะถ้าเราไม่ไป ปิดค้างอยู่เนี่ยในเจดวันต้องเปลี่ย น, นค่อยภนานะแล้วก็ใช้ความสังเกตสังเกตโดยมีทฤษฎีชี้นํามีหลักคําสอนของพระเจ้าเป็นตัวชี้นําเป็นตัวเทียบอย่างท่านสอนเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภาวนาเราเห็นแต่ของเที่ยงเห็นใจนี้นิ่งว่างคงที่มันสวนทางกับที่พระเจ้าสอนต้องผิดแล้วล่ะก็ค่อยๆสังเกตดู ว, ว่ามันผิดตรงไหนนะ หรือภาวนาแลมีแต่ความสุขก็ท่านบอกมันทุกข์อ่ะทำไมภาวนาแ้วเราสุขอย่างเดียวต้องสังเกตเอาอะไรที่สวนกระแสกับคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องผิดแน่นอนนะต้องตั้งหลักไว้งี้นะอย่าไปบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนะบางคนนะ่าซิกแซกหนักกว่านั้นอีกนะพระเจ้าสอนถูกหรอกแต่คนที่จดพระไตรปิฎกจดผิดที่ถูกคือฉันเนี่ยพวกนี้ลงนรกอเวจนะีมันบิดเบือนพระธรรมคําสอนนะ อาใครจะส่งเงินบ้านเท่าที่จําเป็นนะกราบนมำสการเจ้าค่ะข อ, อคําแนะนําเจ้าค่ะเอาอีกแล้วแนะมันตั้งแต่เช้าแล้วฮอตอนนี้เป็นไงเห็นขันมันแยกไหมจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมจิตปกติไม่เหมือนเจ้าค่ะโอเหมือนไม่ได้นะมันิ่งเกินอไปกดให้มันนิ่งาาปล่อยให้มันทํางานนะ ตัวรู้ดีแต่ตัวรู้มีสองชนิดตัวรู้ชนิดที่หนึ่งยใจเราไหลไปแล้วเรารู้ตัวรู้นี้จะนุ่มนวลตัวรู้ชนิดที่สองนะเราตั้งขึ้นมาเองเราเห็นขันแยกออกไปตัวรู้ตั้งขึ้นมาจะทื่อๆนะนี่ตัวรู้ปลอมนะตัวรู้ปลอมไม่เอาใจกล้าๆหน่อยให้เป็นตัวหลงขึ้นมาเมืมีตัวหลงขึ้นมาไอ้ตัวรู้ปลอมก็หายแล้วก็รู้ใหม่ เราจะเห็นนะมันทำงานของมันได้เองต่อไปมันจะเห็นนะขันมันมีอยู่แต่มันไม่มีเจ้าของการกระทำมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำอย่างตอนนี้มันมีการกระทำดูออกไหมมันมีการกระทำภายในเน่องมีเรากระทำอยู่นะเียต่อไปพอเราเข้าใจธรรมะแล้วขันมันมีอยู่นะแต่มันไม่มีเจ้าของการกระทำงานของขันนนมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำ จิตก็ทําหน้าที่ของจิตคือทําหน้าที่รู้จิตก็ไม่ใช่เราขึ้นมาค่อยๆดูไปการทำพิธี ก, การหลวงพ่อค่ะหนูตอนที่ทํารูปแบบหนูก็มันก็ไม่ค่อยธรรมดาก็ ม, ามันก็ยังมีไม่ความไม่ธรรมดาบางทีอยไปเกลียดมันสินะภาะวานาแนละ้วถ้าใจเราหงุดหงิดใจเราลาคาญใจเราไม่สบายใจเราก็รู้เอานะ เอาความรู้สึกเหล่านี้เป็นของแปลกปลอมเป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างความไม่สบายใจนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นแล้วมันก็แยกออกจากใจแล้วมันก็สอนไตรลักณเราดงนั้นความดีก็สอนไตรลักษณความไม่ดีก็สอนไตรลักนะความสุขก็สอนไตรลักณความทุกข์ก็สอนตรลักษณงนั้นสภาวะนั้นจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้จะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้ให้รู้อย่างที่เขาเป็นเรื่อยๆไปเพราะเขาสอนไตรลักเราเท่าๆกันแหละ แล้วหลงก็รู้นี่หนูก็แยกไม่ค่อยออก อ, ะอ่ะดูที่ใจก่อนใจมันไม่สบายใจมันไม่สงบนะให้ดูตัวนี้ก่อนใจประจวบวันละตอนไหนก็เหมือนกันคือถ้าใจเราฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยเราจะดูสภาวะไม่ได้นะให้รู้ทันก่อนว่าใจฟุ้งซ่านพอ ร, รู้ทันแล้วใจมันก็สงบตั้งมัน่คนครั้งนี้นจะเห็นสภาวะได้จะแยกออกนี่สุขนี่ทุกนี่ดีนี่ชั่วนะ ถ้าสมาธิไม่มีนะมันแยกไม่ออกแล้วที่หลวงพ่อสอนเรื่อยๆให้มีเครื่องอยู่อันนึงหลงเรารู้อะไรเงี้ยหนูก็ไม่เคยทําได้เลยเออถ้าทําได้จะได้สมาธินะเหมือนกับว่าปกติหนูไม่พยายามทําอะไรมันก็ทําอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าหนูยิ่งไปพยายามทำยิงย่งยิ่งยุ่งใหญ่ก็หนูถ้างี้ยเรารใช้<ค>จิตเป็นวิหารธรรมนะใช้จิตเป็นวิหารธรรมเนี่ยก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหนึ่งเหนืองเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหนึ่งเนือง อันนี้ก็เป็นวิหารธรรมได้คือหนูไม่ต้องไปพยายามทําไอ้ตรงนั้นทําไม่ได้ก็อย่าไปพยายามมันยุ่งนะมันหงุดหงิดเดี๋ยวมันหงุดหงิดขึ้นมา mm hmm. แล้วก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมแต่พอมันเหนื่อยขึ้นมานะเราก็อย่าไปดูว่าจิตเกิดดับอะไรนะแค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆใพักผ่อนรู้สึกตัวสบายๆนะให้ใจมันได้พักบ้างถ้าใจไม่ได้พักใจจะไม่มีแรงหลวงพ่อคะแล้วบางครั้งคือบางช่วงเหมือนกับว่าในชีวิตประจำวันหนูอ่าน ประวัติของพระอัยยสาวกอะไรเงี้ยนะคะแล้วหนูเห็นเหมือนกับสันตติขาดเนืองเนืองได้แต่เป็นบางช่วงนะคะได้ได้เราไม่ได้เจตปนานะขามันไม่ใวลาปัญญาจะเกิดนะ่มันเกิดเองนลยอย่างงี้ถ้าหนูอ่านมากๆก็ไม่เป็นไรจริงๆอ่านมากๆโดยหวังว่าจะเห็นเนี่มันจะไม่เห็นคือหนูรู้สึกว่าหนูอ่านแล้วหนูมีสมาธิอ่านแล้วรีแลกซ์ใช่ใช่ตรงที่รีแลกซ์นั่นแหละทำให้เกิดสมาธิก็มีสมาธินะก็มีปัญ พ่ะบางทีหลวงพ่อบอกไม่ให้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะอ๋อนั่นหลวงพ่อเขยกเว้นนะอว่ า, าบางทีให้ไปอ่านประวัติพุทธเจ้าอ่านประวัติภาษาวกนะเคยสอนอยู่เรื่อยๆเหมือนกันอ่านแล้วจะได้สมาธิะหลวงพ่อก็ใช้สมัยก่อนทํางานวุ่นวายนะียกลางวันเนี่ยนะกินข้าวเสร็จแล้วเข้าห้องสมุดไปอ่านพระไตรปิฎกเรื่องอ่านประวัติภาษาวก k e บ้างประวัติพุทธเจ้าบ้างอ่านแล้วร่าเริงใจจิตใจมีความสุขนะ ผมก็ภาหนาต่อได้เดินปัญญาได้แต่ว่าต้องระวังอันหนึ่งถ้าต่อไปนี้พี่หยิบประวัติภาษาวกมาแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นเกิดดับนะจะไม่เห็นเลยนะเพราะโลภะมันเกิดเราะงั้นอย่าไปคาดหวังนะเพราะมีอะไรเพิ่มเติมคขันแยกได้แล้วก็ดีแล้วนะเพียงแต่ว่าใจมันไม่ค่อยแช่มชื่นเท่านั้น เพิ่มไ้<ห>อ่านประวัติภาษาวบกนั่นแหละอ๋อ่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะแต่ว่าอย่าวังนะว่าจะดีหนูหนช่วงนี้หนูก็สวดพระปอะไรษตอะไระไ ร, รู้สึกว่ามันมีสมาธิดีได้ไ<ช>ด้เพียงแต่ว่าเวลาโทสะแทรกเราไม่เห็นนะความไม่สบายใจลาคาญใจว่ามันไม่ได้อย่างใจจะภาวนานเนี่ยจะทํำยังไงดีนึกออกไหมมันจะคิดว่าทํำยังไง มีมีหนึ่งเนืงองะ่ะมันถึงความพยายามหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละตัวนั่นแหละโลภะนะทำยังไงดีทํางไงดีแล้วก็หงุดหงิดนี่โทสะไม่ได้อย่างใจที่จริงไม่ได้ทําอะไรจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะแค่นั้นเอง <c oughs> เราไม่เห็นทันกิเลสไงเราหมดไปคิดว่าจะทํำยังไงจะทํำยังไงเอาไม่ได้แล้วเราก็ใจไม่ช่มชื่นขอบพระคุณค่ะ ครับผมอผมรู้สึกว่าผมเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมครับอืมแล้วก็ที่แยกธาตุแยกขันธ์ผมไม่แน่ใจว่าผมแยกได้แยกได้ครับผมแต่เวลาได้ไมันได้เป็นครา่คราลนะครับเอาขันสตรีมมารวมกันครับผ ม, มแล้วเหมือนกับว่าตอนที่เวลาผมทํางานนะครับมันตอนตอนเช้านี่ยมันก็พอดูได้อยู่ครับแต่พอเย็นๆปุ๊บเนี่ยมันเหมือ น, นกับว่ามันหมดแรงแล้วเพราะนั้นผมทํามันก็ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้หรอกนะได้แค่นั้นหลวงพ่อเลยใช้วิธี ตอนกลางวันนะหลพ่อนากินข้าวเสร็จแล้วเดินทําเป็นว่าเดินออกจากที่ทํางานไปไหว้พระวัดโน้นวัดนี้นะอยู่ทําเนียมมันเดินไปวัดเบนจามบ้างไปวัดโสมบ้างนี้ที่จริงเดินจงกรมบางทีตอนกลางวันผมก็ไปเดินจงกรมครับแต่พอหลังจากเดินจงกรมเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันโมโหโยมันโมโหครับอนั่นอยากดีไปเดินเล่นๆสิ แล้วเห็นไหมกิเลสตัวไหนเยอะแยะรายกว่าที่คิดไหมรายมากครับรายมากครับดีนั่นาหะภาวนาเป็นละเราไม่ได้กดเอาไว้ตัวจริงมันจะผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาแล้วก็สลายผุดขึ้นมาแล้วสลายนะสุดท้ายไม่รู้เลยไม่มีตัวหรอกคุณภาวนาได้ดีขึ้นเยอะเลยหน้าตาเปลี่ยนไปเลยบางคนเห็นหน้านะ จำหน้าได้นะพอน่อปนาดีนะจําไม่ได้เลยนะหน้าไม่เหมือนเดิมหน้าตาผ่องใสอะไรกลับนะมาสัการเจ้าค่ะอ๋อว่ามาข้ากลับขอขอนุญาตเช็คสภาวะค่ะว่ามีแรงมากขึ้นหรือยังเจ้าค่ะแรงนี้เป็นของชั่วคราวน ะ, ะไว่นานมันก็ตกเราก็ทําสม่ําเสมอไปค่ะแล้วก็การเดินปัญญาเนี่ยเขาไม่เดินรวดเดียวนะคะ ก็ให้จิตได้เข้าพักบ้างเป็นคราวๆไป <Okay. S 1> ไม่ต้องรีบร้อนเดินปัญญานะรำนำกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับผมทำสมถะไม่ค่อยได้ครับแล้วก็แรงมันไม่พอครับผมเราเราทธสมถะอะไรไม่ได้เข้าชานไม่ได้ก็ช่างมันนะเราถึงเวลาเราก็พุโทโธพุโทโธนะหรือสวดมนต์ในใจของเราไปเรื่อยบทสั้น นมโม ต, ตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะอย่างนี้ก็ได้นมโม ต, ตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนี่นะบริกรรมเราอย่างนี้ทั้งวันเพื่อได้กำลังนะ<ม>สวดมนต์ในใจสบายๆนะอย่าหวังว่าจะได้อะไรนัสการครับขอกันบ้านครับหลวงพ่ อ, อขอกันบ้านครับว่ามาซิทำอย่างไรบ้าง เออก็อยู่บ้านก็ดูภาวนาดูจิตเ อ, อครับเห็นอะไรม้างละ่ะเห็นว่ามีจิตมันเปลี่ยนแปลงลครับเออเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นกิเลสตัวไหนบ่อยตัวไหนเด่นกา马าคาครับเออดีฉลาดรู้เท่าทันกิเลสดีเห็นกิเลสแล้วไปเกลียดมันไหมหรือว่าชอบมัน บางคราก็ยังชอบอยู่ครับเ อ, อนะชอบก็ไม่ว่ามันนะครับรู้ทันว่ามันครอบงาเมาก็รู้นะอัดรูปบ่อยๆแต่ไปค่อยเห็นทุกเห็นโทษค่อยคลายออกครับยังติดอยู่สองตัวนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละทําบ่อยๆนะไม่รูปบ่อยๆครับผมจิตยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ดูออกไหมครับดูออกนะครับจิตมันมเต้นด้ยครับเออมันไม่เข้าฐานอ่ะนะ ให้รู้ทันจิตมันกระจายออกไปวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างนอกๆมันไม่เข้าบ้านปกติมันเข้าไหมเข้าบ้างครับแต่ อ, อ, อรู้จักจิตที่เข้ามาในนี้ก็ใช้ได้แล้แต่ไม่ได้ดึงไว้นะเข้ามาเองมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนี้สําคัญที่หลวงพ่อจําชีจําชัยมากเพราะว่าถ้าไม่มีจิตชนิดนี้เนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้จริงขันมันจะไม่แยกนะถ้าจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้ว สติระลึกรู้กายมันจะเห็นในกายมันอยู่ต่างหากมันไม่ใช่เรานะระลึกรู้อะไรอันนั้นก็ไม่ใช่เราไปหมดแล้วมีอะไรเป็นเครื่องอยู่เ อ, อดูจิตครับเ อ, อได้นะแต่ว่าระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ย อ, อพอดีผมโดนพวกคืนที่ อ, อที่มีมกลุ่มคนคนหนึ่งที่ทําการทดลองกับผมมะครับอืเวรกรรมแล้วทําไมมันมาลองกับเรา <c oughs> อยู่ที่กรรมนะครับผมอพราะเจริญเมตตาไว้เผื่อเขาสงสารเขาจะได้ไม่ทําอำผมแผ่ไปจนเขาเขาไม่เอาอะครับเขาไม่เอาแล้มีคนกักวายนะที่แผ่เมตตาเรารับยากเรามีหน้าที่แผ่ก็แผ่ไปสมาธิเราเพิ่มนะมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับขอบคุณครับอย่าไปมโมโหมันนะยิง่งโมโหจิตยิ่งต่อจิตต่อกันยิ่งมาเร็วขออีกข้อนึงครับหลวงพอ่อ ชาตินี้ผมจะจบอยู่จบพระอาจารย์ไหมครับไม่ตอบได้ไหมตอบไม่ได้ดอกไม่ใช่ภูมิรู้ของภาษาวกนะแต่โลกงู ด, ดูลู้ครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านก็รู้อยู่ขอบคุณครับอ่ะกลับบ้าน